เอาเวทนานุปัสนาเป็นที่เริ่มบางสำนักก็เริ่มที่จิตตานุปัสนาเน้นการดูจิตสำหรับโบราณ น, นั้นเขามองว่าร่างกายเป็นของหยาบดูชัดจับง่ายหน่อยจึงเอากายานุปัสนาเป็นจุดเริ่มแล้วค่อยคอยขยายไปถึงอนุปัสนาอย่างอื่นในสติปฐานสแต่ในที่สุดแล้วต้องมาประสานกันหมดคือในที่สุด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 อนุปัสนาฝรั่งแปลกันว่า observation ก็คือสังเกตดูความเป็นไปดูของจริงนะ่ะดูตามที่มันเกิดตามที่มันเป็นไปที่นี้ดูจิตของเราก็ดูตามที่มันเป็นถ้าเราฝึกปฏิบัติอะไรอยู่ก็ดูไปตามนั้นแล้วก็ก้าวไปในการปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าดูจิตดูใจก็ดูแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นอยู่นั่นแหละ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 คือก็จะเป็นกุศลหรือไม่ก็เป็นอกุศลก็ให้พิจารณาเองว่าจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่จริงก็ง่ายๆเจตนาที่ปล่อยตัวตามใจก็คือขี้เกียจไปจนถึงประมาทก็เป็นอกุศลนั่นเองอันี้ก็ซับซ้อนขึ้นละ่ะก็คือดูใจที่ขี้เกียจหรือดูใจที่มีกิเลสหรือดูจิตที่ถูกกิเลสครอบงํานั่นเอง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 การปฏิบัติก็เหลวหมดแทนที่จะลดละอกุศลและเจเริญกุศลก็กลับตรงข้ามการปฏิบัติหรือการฝึกก็เหลวหมดนำซ้ำเมื่อปล่อยตัวปล่อยใจอย่างนี้ย่อมให้อกุศลครอบงำหรือให้มันหมักหมมอยู่โดยไม่จัดการแก้ไขและไม่พยายามหันไปทําให้เป็นกุศลขึ้นมาก็คือการตกอยู่ในความประมาท เลยยิ่งเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปไกลไม่รู้ว่าปฏิบัติอะไรไปจบไปตันอยู่แค่ได้เป็นคนงอกองอขิงจมอยู่ในความประมาทขอให้จับจุดว่าจะปล่อยใจจะตามใจไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการดูจิตดูใจอะไรเลยมันผิดขั้นผิดตอนไปแล้วแยกแยะให้ถูกถามตัวเองว่าดูใจให้รู้จักใจ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 ทีนี้ถ้าเราดูโดยไม่มีการปฏิบัติต่อไปจิตมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็เห็นกิเลสนั้นถ้าเป็นคนปัญญาวัยก็แล้วไปก็จะไปต่อได้อย่างที่ว่าคนที่แม้แต่ว่ากำลังจะตายก็ยังตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้อันนี้หมายความว่าตัวเองปฏิบัติมาไม่ถูกใจเกิดมีกิเลสก็เห็นกิเลสอะไรต่ออะไร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 รวมความว่าหลักใหญ่คือศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันมาหนุนกันในกระบวนการนี้ถ้าปฏิบัติถูกก็ตรวจสอบได้เอนี่เรามีศีลหรือเปล่าถ้าไม่มีศีลก็คงจะไม่ค่อยถูกแล้วนะ่ะเรามีความรู้ข้อใจปัญญาเจริญขึ้นไหมถ้าปัญญาก็มืดมืดมมั ว, ม, วมีแต่ใจที่ปล่อยไปตามกิเลส อย่างนี้จะไปรอดอะไรต้องตรวจสอบได้ต้องมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาเมื่อถูกหลักแล้วไม่ว่าปฏิบัติอะไรมันก็คือการฝึกนั่นแหละคำว่าปฏิบัตินั้นแปล ว, ว่าดำเนินเดินก้าวก็คือการไปข้างหน้าเดินต่อไปเป็นศัพท์หนึ่ง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 ก็ฝึกปรือให้เป็นให้มีให้เจริญขึ้นไปสิกขาภาวนาธรรมะเป็นหลักรวมการปฏิบัติคุมและคลุมหมดเวลาเราปฏิบัติก็คือดำเนินไปในหลักรวมที่ว่านี้ในสิกขาก็มีการปฏิบัติปฏิบัติแล้วว่าเดินดำเนินปฏิบัติปฏิบัติอะไรดำเนินเดินไปไหน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 และต่อไปจะสู้งานอะไรข้างนอกถ้าแพ้ใจตัวเองเสียแล้วจะไปเอาชนะมารที่ไหนท่านให้เอาชนะมารพระพุทธเจ้าสำเร็จก็ด้วยชนะมารท่านจึงบอกว่าต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ผู้ที่เอาชนะใจตัวเองได้คือมีชัยชนะสูงสุดพระพุทธเจ้าเน้นให้เอาชนะใจตนเองไม่ใช่ให้ยอมแพ้ถ้าใจปวกเปียกอ่อนแอ